มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยเบื่อเรียบจะเบื่อแล้วจะรีบบอกว่าโอ้ยเบื่อนีถ้าถามว่าเบื่อแล้วเราจะหลีกไปอยู่ไหนกันเนีเ่ยเอาเอาเข้าจริงๆน ะ, จะเจริญจนเบื่อจริงแล้วไปหลีกไปอยู่ไหนเขาเนี่ยเอาคือบางคนเนี่ยนะไอ้ที่จริงอะเบื่อไม่ใช่เบื่อหรอก น, นั่นลำคาลโทสะ <c oughs> นะนะเหมือนเรียก <c oughs> ว่าปฏิรูปการนะเหมือนคนมีวิปัสสนาที่เรียกว่าเบื่อเบื่อไปหมดเลยเรียว่าคุณมีโทสะกับทุกเรื่องแต่คนที่เจริญประสบความสําเร็จเนี่ยนะเขามีอย่างไี้ว่าเห็น เขารียกว่าเห็นสิ่งที่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลเห็นสิ่งปฏิกูลและปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลเห็นสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลเพราะเขาอยู่ด้วยกรรมฐานประสงค์จะอยู่ด้วยกรรมฐานเหล่าใดเขาก็อยู่ด้วยกรรมฐานเหล่านั้นซึ่งเป็นอริยริศเนี่นะข้างหน้าจะมีอย่างเช่นเขาบอกว่าเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลก็เช่นว่าสุภาณิมิตท่านก็เจริญอสุภาษสัญญาหรืออนิจจานุปัสนา ปฏิฆาณิมิตเนี่ยในสิ่งที่ปฏิกลูนท่านก็อยู่ด้วยธาตุกรรมฐานหรือด้วยเมตตาทั้งอสุอทั้งสุภาษณิมิตหรือปฏิฆานิมิตโดยปกติก็ตามท่านก็อยู่ด้วยอนิจจานุปัสนาหรือว่าอสุภะก็ได้อยู่ด้วยเมตตาก็ได้อยู่ด้วยธาตุกรรมฐานก็ได้อ น, นันปกติมีเครื่องอยู่4ประการอนิจจานุปัสนาหนึ่งเมตตานี่ยหนึง่งธาตุกรรมฐานนี่ยหนึง่งอสุภะหนึง่ง เพราะฉะนั้นจับพิจารณาในอารมณ์ทุกที่จะเลือกอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดก็ได้ถ้าท่านเลือกอยู่ด้วยอ น, นิจจานุปัสสนาเป็นต้นแสดงว่าพร้อมที่จะเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะถ้าเลือกอยู่ด้วยอสุภะก็พร้อมที่จะเข้าฌานอยู่ด้วยเมตตาก็พร้อมที่จะเจริญพรหมวิหารเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่ด้วยธาตุกรรมฐานก็พร้อมที่จะเจริญสุญญ า, านุปัสสนาเป็นต้นคือน้อมไปเจริญสิ่งใดก็ได้นะคือเป็นผู้ที่ มีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ทีนี้ของเราทั้งหลายมันทําไงกะนี้แค่ว่าแค่ฟังยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยว่าไอ้ทําไงก็มีอยู่อย่างเดียวทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาด้วยเถอเนี่ยนะพระอริยะท่านรู้อะไรก็ขอให้เรารู้บ้างเถอเนาะต่อเองนะไปไกลเดี๋ยวไม่จบสูตรในหน้าสองรอเก้าสิบสี่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเนี่ยนะนี้พูดถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไร ดูกรพิสูจนทั้งหลายภิสษุนี้เรากล่าวว่าผู้มีลิ่มคืออวิชานี่นะอันยกออกแล้วดังนี้บ้างผู้มีเครื่องเวทล้อมคือกรรมมาพิสังขารอันรื้อแล้วดังนี้บ้างผู้มีเสารเนียตคือตันหาอันทอนขึ้นแล้วดังนี้บ้างผู้ไม่มีสลักประตูคือสังโยดดังนี้บ้างว่าเป็นอริยะผู้ประเสริฐมีธงคือมานะตกแล้วมีภาระอันตกแล้ว ไม่มีมานะแล้วดังนี้บ้างเรียกว่าสันเสริญพาระอรหันต์ด้วยบทหบทหรือว่าด้วยคุณธรรม5ประการข้อแรกก่อนภิกษุผู้มีลิ่มเขื อ, อวิชาอันยกแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอวิชาที่มีรากขาดแล้วหมายคําว่าถอนราก อ, อาวิชามีอะไรเป็นรากอาวิชานี่บางครั้งมีโทสะเป็นรากบางครั้งมีโมหะเป็นราก นะเพราะอะไรโลภะมูลจิตเนี่ยนะก็เข้าไปโมหะเนี่ยมีรากเดียวคือรากคือโลภะเป็นบางครั้งรากคือโทสะเป็นบางครั้งบางทีก็เป็นอเหตุกะเนี่ยนะเพราะว่าโมหะมูลจิตนั้นมีแต่โมหะเป็นรากแต่ว่าไม่มีรากอย่างอื่นเลยพระอรหันต์นั้นคือคือผู้มีรากถอนแล้วหรือว่าถอนอวิชชานะั่นแหละถอนอวิชชาด้วยอรหัตธรรมเนี่ยนะ ทมอวิชชานั้นให้เป็นเหมือนกับตายอดด้วนตายอดด้ว น, รดดนเรียกว่าตอตาเนี่ยเคยเห็นต้นตาลแล้วมันงอกขึ้นบั้งไหมให้มันด้วนแบบนั้นแหะมันงอกกระเพาะไม่ขึ้นแล้วไม่มีแล้วเป็นธรรมดาไม่บังเกิดขึ้นต่อไปพี่สุเป็นผู้มีลิ่มคืออวิชชาอันยกขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ลิ่มตัวนี้ก็แปลว่าสลักประตูนะสลักประตูก็ถอนสลักประตูนะเหมือนขี้ง่าประตูโบสถ์ก็จะมีลิ่มคือสลัก ทำให้เข้าออกไม่ได้ก็ถอนลิมมันนั้นทิ้งซะเผาลิมทิ้งเลยเนยีก็เป็นประตูที่สัญจรไปมาได้สะดวกอันนี้สรรเสริญบทที่หนึ่งผ้าทหารคือผู้ที่ไม่มีลิ่มเคอวิชาหรือว่าถอนลิ่มเคอวิชาเผาลิ่มเคอวิชาเสร็จแล้วเนี่ยนะสองคำสรรเสริญยกย่องพผ้ารหารว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีเครื่องเวทล้อมคือกรรมมาพิสังขารอันรื้อเสียแล้วอย่างไรเล่า กรมมาพิสังขารเรียกว่าเครื่องเวดล้อมสารเนียรเนี่ยนะเครื่องเวดล้อมเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยกรรมที่ทําให้มีผมเนี่อย่างหนึ่งกรรมที่ทําให้มีขนนี่อย่างหนึ่งกรรมที่ทําให้มีเล็บแต่ละอย่างเนี่อย่างหนึ่งกรรมที่ทําให้มีผิวหนังก็อย่างหนึ่งตามที่สร้างอวัยวะส่วนหัวก็อย่างหนึ่งเหมือนกับโรงงานปั๊มรถเห็นไหมอะไหล่ทุกชิ้นมันปั๊มมาจากตัวจักรตัวเดียวกันใช่ไหมหัวปั๊มหัวเดียวไหม ไม่น็อตแต่ละอันก็มาจากคนลบ็อกคนลบ็อกคนลบล็อกคนลบล็อกฉันใดร่างกายของเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะกรรมเยอะแยะเลยมาแต่งมาแต่งให้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะบางอย่างเนี่ยเมื่อแสนกับที่แล้วตามมาแต่งให้บางอย่างเมื่อร้อยชาติที่แล้วตามมาแต่งให้บางอย่างเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยตามมาตกแต่งนั้นกรรมเนี่ยมันจึงเรียกว่าวิจิตตมากคิ ด, ค ด, คดง่ายๆว่าร่างกายของเราที่ดํารงอยู่เนี่ยสารอาหารเนี่ยมาจากเมื่ อ, อไหร่ สารอาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยที่อยู่ตอนนี้นะอันนี้อุตุเชรู้พวกอาหารชรุปนะสารอาหารที่อยู่ในผมในเล็บในฟันในหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะแคลเซียมสะสมมาเมื่อไหร่เนี่ยน ะ, ะพวกสารแต่ละชนิดนะทุกอย่างแบงนั้นเถอไล่ไล่ไล่แต่ละอย่างมาเมื่อไหร่ฉันใดอันนี้เฉพาะอาหารเชรูปนะแล้วอุตุเชรูปล่ะ แล้วกรรมมาชรคหรือมันกรรมตัวเนี้ยมันเป็นตัวสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารละวิญญาณสร้างจักขูวิญญาณโสตากานฑ์จิวหาวิญญาณเนี่ยนะและขณะเดียวกันเราเองเนี่ยนะพอกรรมมันให้ผลปั๊บทำกรรมไม่มีหยุดหย่อนเหมือนกันน ะ, ะนะเขไม่เห็นทําอะไรเลยนั่งคิดอย่างเดียวอนั่นแหละทุกทุกความคิดนั่นแหละมโนกรรมพูดทุกคํานั่นแหละเป็นวจีกระยขยับโดยที่สุดกระพริบตาก็เป็นกายกรรมขยันอย่างเลยนะ ขยันสรอะไรขยันสร้างพบชาตินั่นน ะ, นะขยันสร้างพบขยันสร้างชาติว่าอะนิ่งนิ่งอ่ะนิ่งก็หลับอีกกินผลบุญเก่าอีกตื่นขึ้นมาก็ทําต่อเนี่ยนะหลับเสวยผลบุญเก่านะตื่นทํากรรมต่ออีกมันก็อยู่อย่างเนี้ยเออแต่นี้ก็คิดแบบพระพุทธเจ้า ว, ว่าทำยังไงที่จะหักเอกซ่กรรมอันนั้นได้พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ละสังขารเครื่องปรุงแต่งชาติเครื่องปรุงแต่งพบอ่ะนะ ถ้าพบดับอะไรดับถ้าดับพบได้ชาติก็ดับเพราะฉะนั้นต้องละสังขารเครื่องปรุงแต่งชาติชาติที่ทำให้เกิดในพบใหม่เนี่ยนะหรือกรรมที่ทำให้เกิดในพบใหม่ทำให้มีรากขาดแล้วทำให้เป็นดุดตาโยอดด้วนให้ไม่มีแล้วหรือว่าเป็นธรรมดาไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปอทีนี้ถ้าจะถ้าจะดับพชาติดับการเกิดนี่ต้องดับอะไรต้องดับพบถ้าจะดับพบได้ต้องดับ อุปาทานถ้าจะดับอุปาทานได้ก็ต้องดับคือถ้าดับตันหาถ้าดับตัหาถ้าตันหาดับถ้าอุปาทานดับกรรมกรรมคือกรรมมาพิสังขารก็เรียกว่าหมดสภาพเนี่ยนะเรียกว่าหมดสภาพเพราะไม่มีรากแล้วไม่มีตันหาอุปาทานให้เป็นรากเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายเนี่ยจะให้ผลได้ต่อเมื่อมีรากคือตันหาอาวิชชาเนี่ยนะมีรากคืออวิชชาและตันหาเป็นต้นเนี่ยเป็นราก เพราะปลูกขึ้นในวัตฏะเพราะฉะนั้นถ้าถอนรากคือตัณหาอาวิชชาเสร็จกรรมก็หมดสภาพพระอรหันต์ทั้งหลายก็กรรมหมดสภาพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสำรอกอวิชชาตัณหาหรือสำรอกอุปาทานเพิกถอนอุปาทานถอนอุปาทานได้สําเร็จแล้วกรรมก็ดับถ้ากรรมดับชาติก็ดับกรรมก็คือกรรมมพบนะถ้ากรรมมาพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะเป็นต้นก็ถูกดับเรียบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็คือคนที่ ทำลายกรรมหมดแล้วเนี่ยนะถ้ายกตามปฏิจจสมุปบาทอนุโลมเนี่ยนะอนุโลมมันยเนี่ยบทแรกเลยเนี่ยน ะ, ะปฏิจจสมุปบาทมีอะไรอวิชชาปัจจายสังขาราสังขาราปัจจาวิญญาณข้อแรกบอกพระ้าหลานคือคนที่ทําลายอาวิชชาเสร็จแล้วข้อสองทำลายอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารผ้าหลานเนี่ยทำลายกรรมมาพิสังขารเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปโน่นอะไปยกตัวตัวเชื่อมว่าไตาตัวหนึ่งคือตันหา ดูควาพิสูุทั้งหลายพิกษุนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีเสารเนียตคือตันหาอันถอนขึ้นแล้วอย่างไรเล่าพิสูจนในธรรมวินัยนี้ละตันหามีตันมีรากขาดแล้วเป็นประดุจตานยอดด้วนไม่มีแล้วเป็นธรรมดามอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปพิกษุเป็นผู้มีสารเนียตคือตันหาอันถอนขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้มันก็ตัดตัวตันหาอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าเด็ดเลยนะก็จับมาเด็ดหัวเลย ด้วยอะไรด้วยศาสตราคืออริยมรรคเนี่ยนะเชื่อเหอมันเด็ดหัวเราอที่ <c oughs> เด็ดหัวปัญญาเรื่อยเลยใช่ไหมแ <c oughs> มยากที่ว่าเธอเด็ดหัววิชามันยากวิชามันเด็ดหัวเรื่อยเลยนะ <c oughs> ดูกวามพิสูทั้งหลายภิสูุเป็นผู้ไม่มีสลักประตูคือสังโยชน์อย่างไรเล่าอันเนี้ยสันเริญอะไรสรรเริญทอนสลักประตูคือสังโยชน์สังโยชน์ก็คืออุปาทานทั้งหลายอุปาทานเนี่ยนะ สกายติถิเป็นอัตวาทุปาทานสกายติถินะส่วนวิจิกิจชาวิจิกิจชาสกายติถีวิจิกิจชาศีลพัตะปรามาสกามราคะปฏิฆะอุทจฉะมานะอวิชารูปปราคะอรูปปราคะเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ทั้งโอรัมภาคยาสังโยชน์สังโยชน์โอรัมภาคยาสังโยชน์กับอุทธรรมภาคยาสังโยชน์โอรัมภาคิยาสังโยชน์ก็คือ ตัวโซ่หรือตัวเชือกที่ฉุดให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาต์นรกฉุดให้อะ น, นะตัวที่ฉุดให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกนั้นก็คือสกายทิถิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามากการมราฆะกับปฏิฆะสังโยชน์เป็นตัวฉุดให้อยู่ในกามภูมิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสังโยชททั้งหมดเหล่านี้ท่านทําให้อะไรรากขาดไปแล้วเหมือนกับตาญยอดด้วนไม่มีแล้ว เป็นธรรมดาอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ที่กําจัดสลักประตูคือสังโยชนและสุดท้ายคําชั้นเซินธาหารอีกอันหนึงเขบอกว่าภิกษุเป็นอริยะประเสริฐมีธงคือมานะอันตกแล้วเนี่ยนะเกี่บมานะเนี่ยที่เป็นแห่มานะเนี่ย ม, ม, นนมันเป็นเขาบอกว่าสัญลักษณ์คือธงเนี่ยนะถ้าเป็นโบราณเนี่ยนะกองทัพไหนยกมาก็าต้องมีธงนําหน้าและข่ามาแล้วงั้นนะสมัยนี้ก็มีอะไรมีป้ายข้างนําชื่อป้ายชื่อนําหน้าั อันนี้ก็ป้ายชื่อนาหน้านั่นแหละลักษณะนั้นแหละแปล ว, ว่ามีธงคือมานะอั น, อนตกแล้วมีภาระอันตกแล้วไม่มีมานะแล้วอย่างไรเล่าก็คือละอัสมิมานะนะไม่มีรูปเป็นที่ตั้งแห่งมานะอีกต่อไปไม่มีเวทนาสัญญาและสังขารวิญญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งมานะอีกต่อไปโดยปกตินรูปขันห้ามเป็นที่ตั้งแห่งมานะใช่ ความถือตัวเย่อหยิ่งและพยองนี่อาศัยอะไรอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าเห็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะถ้ารู้ความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงอย่างลึกซึ้งเนี่ยแล้วเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งมานะพันขันห้าจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะมานะของท่านก็มีรากขาดแล้วเป็นดุจตาญยอดด้วนไม่มีแล้วเป็นธรรมดาอันไม่บังเกิดขึ้นต่อไปภิกษุเป็นผู้ประเสริฐ คือเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะก็คือเพราะผู้ได้อริยะคุณมีอริยะศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยะวิมุตต์แล้วก็มีธงคือมานะตกแล้วปรงภาระภาระเนี่ยนะก็แบบคนที่แบกภาระเนี่ยแบกอะไรแบกรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิธีแบกแบกทําไงแบกว่าเที่ยงบ้างแบกว่าสุขบ้างแบกว่างามบ้างแบกว่าเป็นอัตตาบ้างท่านก็ปรงเสร็จแล้วเนี่ยนะก็คือไม่ยึดถือไม่มีฉันทราคะใน ขันห้าเป็นผู้ที่ไม่มีมานะอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ก็สําเร็จเป็นพระทหา์เรียกว่าเป็นผู้ชนะสงครามนะนะผู้ชนะสงครามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเทวดารวมทั้งพระอินททั้งพระพรหมทั้งประชาบดีคือมา n เนี่ยนะสแสวงหาภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่พบว่าวิญญาณของตถาคตคือพระอรหันต์เนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์ คือเห็นว่าพระอรหันต์นั่งอยู่แต่ไม่รู้ว่าพระอรหันต์กำลังคิดอะไรเห็นว่าพระอรหันต์นั่งแต่ไม่รู้ว่าพระอรหันต์เนี่ยนั่งคิดอะไรเพราะอะไรเพราะไม่อยู่ในวิสัยของปุตุชนเขาบอกว่าปุตุชนเนี่ยจะไม่รู้เราว่าพระโสดาบันคิดอะไรเพราะว่าอารมณะปัจจัยของพระโสดาบันไม่อยู่ในวิสัยของปุตุชนพระสกทาคามีไม่รู้เราว่าพระสกทาคามีคิดอะไร เพราะอารัมมณปัจจัยของพระสกทาคามีไม่อยู่ในวิสัยของพระโสดาบันพระโสดาบันไม่รู้หรอกว่าพระอนาคามีคิดอะไรเพราะวิสัยของพระอนาคามีเนี่ยนะอารมณ์ของพระอนาคามีไม่อยู่ในวิสัยของพระสกทาคามีพระอรหันเนี่ยนะท่านคิดอะไรพระอนาคามีไม่รู้หรอกเพราะไม่รู้วิสัยรู้แม้กรทั่งสภาพจิตปุุชนจะไม่เข้าใจว่าสภาพจิตของพระโสดาบันเป็นอย่างไรพระโสดาบันจะไม่รู้สภาพจิตของ พระสกทาคามีพระสกทาคามีจะไม่รู้สภาพจิตของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่รู้สภาพจิตของพระอรหันต์เนี่ยเราไม่อยู่ในวิสัยแม้แต่พระอรหันต์ด้วยกันในยังอันนี้วิสัยพระปเจกอันนี้วิสัยของอักขระสาวกฝ่ายพระโมกขลานะนี้วิสัยของภาษาริบุตรนี้วิสัยของพระปเจกกระพุทธเจ้านี้เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันแบ่งระดับไปอีกหลายชั้นแต่พรภาริยทั้งหลายไม่ต่างกันโดยวิมุติ ไม่ต่างกันโดยความหลุดพ้นแห่งจิตทั้งหลายแต่สภาพของสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยห่างกันเยอะเนี่ยนะห่างกันมากพันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าปฏิสนธิของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรในในหน้า3ามบแปเนี่ยนะย้อนหน้าข้างล่างข้างล่างล่างๆหน่อยเขาบอกว่า ไม่มีผู้ใดรู้สภาพจิตของพระาหันว่างั้นแต่สภาพจิตของพระาหัน์ว่าไอตัวจิตอาจจะรู้ว่าท่านมีความคิดะนะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านคิดอ่ะคืออะไรก็เลยเรียกว่าค้นวิญญาณของพาหันไม่พบว่างั้นอธิบายว่าพระขีณาสพเป็นบุคคลผู้สูงสุดเนี่ยนะในยะแรกอธิบายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราไม่บัญญัติพระขีณาสพผู้ดารงชีดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันว่าตถาคตสัตว์บุคคล แล้วเราจะบัญญัติอะไรสําหรับพระกีนาศพผู้ปรินิพานแล้วไม่มีปฏิสนธิว่าเป็นสัตว์บุคคลปัจจุบันนี้อะไรเป็นพระุอรหันต์รูปใช่ไหมเป็นอรหันต์เวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นอรหันต์หรือเป็นสัตว์เนี่ยนะเขบอกว่าคือความเป็นพระุอรหันต์วัดกันจากตรงไหนันน้มันก็อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าวัดกันที่อริยคุณคืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญา และอริยวิมุตติอรหัตผลเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นทีนี้แต่ถ้าถามหาว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นต้นแบบธรรมดาวิสัยของปุถุชนทั่วไปเนี่ยยังหาไม่พบปัจจุบันนี้ยังหาความเป็นสัตว์ไม่พบเลยแล้วถ้าท่านจุติไปแล้วนี่หาได้อย่างไรอันนี้ในยะที่หนึ่งในที่สองอย้อนอีกครั้งหนึ่งเขบอกว่าเนื่องจากว่าตถาคตเนี่ยไม่มีอยู่โดยปรมาภิ์เนี่ยนะเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในโลกหนึ่ง สังขารเนี่ยที่มีอยู่จริงอ่ะขอไปสังขารที่เที่ยงอ่ะนะไม่มีอยู่จริงในโลกข้อที่หนึงนะ่งะข้อสองถ้าพูดแบบพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารอยเท้าไม่มีอยู่จริงในอากาศรอยเท้าไม่มีอยู่ในอากาศอย่างที่สสังขารธรรมทุกชนิดค้นหาว่าเป็นสัตว์หาไม่ได้จริงๆนะคิดแบบพระเจ้ามิลินหรือพระนาคเษนท่านคุยกันนั่นว่าไงนะพระคุณเจ้าชื่ออะไรนาคเกษนผมใช่ไหมเป็นนาคเษน เล็ฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนันก็ถามไปเรื่อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสรุปว่าอะไรเป็นหน้ากระเซ็นงั้นหน้ากระเซ็นก็ไม่มีอยู่จริงสิอาแล้วมหาภพเนี่ยพระองคง์งคงเป็นพระองค์เนี่ยเป็นสุคุมารชาติพระองค์เสด็จมาด้วยเท้าปล่ามมาที่นี่ก็คงเหนื่อยนะบอกไม่ครับพระเจ้ามาด้วยรถอะไรเป็นรถล้อใช่ไหมเป็นรถบอกไม่ใช่กงใช่ไหมเป็นรถบอกไม่ใช่แอกใช่ไหมเป็นรถใช่ไหมทูบใช่ไหมเป็นรถบอกอ้าว พร อ, องนี้เป็นกษัตริย์มูสาวาจได้ยังไงบอกว่ามาด้วยรถถามอันนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่รถเหมือนกันชันใดก็ฉันนั้นข้าพเจ้าก็นากเกษตรก็เป็นโวหารคําว่ารถก็เป็นแต่เพียงโวหารฉันใดคำว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นก็มีโดยโวหารโดยชื่อเนี่ยนะก็ถามว่าเอาลุงเรื่องนี่อะไรเป็นลุงเรื่องเอาเสื้อผ้าที่ใช้ใช่ไหมหาไม่เจอลเรื่องเนาะนั้นเขาด่าก็อย่าไปโกรธนะหาไม่เจอเลยเ